พอความสุขความเจริญจึงมีแท่านผู้ฟังทั้านั้นเสียงธรรมจากมหาทไลศีปทุมกำลังนำเสนอวิต ก, กตะฐานสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยที่ตั้งที่เกิดของวิตกโดยทรงสอนให้ ผู้ปฏิบัติมองดูสิ่งที่ตัวเองเหนียวนึกตรึกนึกถ้าเหนียวนึกตรึกนึกเรื่องอะไรก็ตามเราโดยสรุปคือกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นขอยเปลี่ยนเรื่องหรือเปลี่ยนวิธีในการเหนียวนึกประเดี๋เหนียวนึกเรื่องอะไรก็ตามที่กุศลซึ่งยังไม่เกิดเกิดขึ้นกุศลที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ก็ให้ประคับประคองจิตรักษาจิตอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นหลักการสาคัญก็คือให้ฉลาดในเรื่องของการตึกนึกคือความคิดของเรานั้นอย่าเป็นค้าศึกต่อเราเองข้าศึกจากข้างนอกมันก็มีเยอะอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยให้คัาศึกเกิดขึ้นจากการเราสร้างขึ้นมาเองจินตนาการขึ้นเองหรือคิด ข, ขึ้นเองเนี่ย มันก็เป็นการทําลายโอกาสเป็นการทําลายคุณภาพจิตของตัวเองในข้อต่อไปรับสั่งว่าเมื่อไปสู่นั้นมนัสิกานิมิตอื่นจากนิมิตนั้นการประกอบด้วยกุศลอยู่วิจกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยชั้นท่าบ้างโสัส า, า, าบ้างโมหะโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียว พิสูจนนั้นควรพิจารณาโทษของมิโตกรเหล่านั้นโดยชัดเจนนะฮะในชัดเจนคือมองตลอดกระบวนการของกิเลสที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามองที่กระบวนการของกิเลสเนี่ยจะเห็นว่าปัญหานี่มันจุดเริ่มต้นคล้ายๆกับแม่น้ําเหลืองเนี่ยมันเกิดมาจากตาน้ําที่ใกล้ๆที่เด็ และตรงนั้นก็เป็นพุดูแล้วก็ไม่น่าจะกลายเป็นแม่น้ำมาหึบมาใหญ่โตรุนแรงขนาดนั้นแต่แม่น้ำทั้งหลายในโลกมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นทางนั้นนะมันเกิดขึ้นานจุดเดยว่อยเท่านั้นตน้นกุศลและกุศลภายในจิตใจของมนุษย์มันก็อยู่ที่จุดเริ่มต้น แต่รต้นดีมันก็ดีตลอดขาดสายแต่ร่มต้นไม่ดีก็ไม่ดีไปตลอดสายตัวก็ส่งสอนให้ว่ า, วาพยายามที่จะประต้านทานความตึกนึกที่เป็นอกุศลแล้วแต่ว่ามันยังแว บ, บมาแวบบไปแวบบไปแวบบมาอย่างนี้ยแล้นก็ต้องมองโทษให้ชัดเจนแล้วก็เป็นกระบวนการไม่ว่าจะยกอะไรขึ้นมาก็ตาม จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราสาลึกสุดๆ้็ไปมก็สู่จิตใจที่มีความวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนกันและกันในหมู่มนุษยชาติเราไปจะโทษที่จิตทิ่เลอิกอย่างเดียวไม่ได้เพราะตัจิตคนอื่นไม่มีวิหิงสามันก็ไม่เกิดหรอกคิดคนเดียวมันไม่เกิด คนทะเลาะกันเนี่ยก็แสดงว่าเกิดโทสะด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถามว่าใครเลวกว่ามันก็เลิกกันเพราะว่ากระทาไปด้วยอำ น, นาจของโทสะด้วยกันถูกโทสะบงการด้วยกันเพราะเมื่อเรามองให้เห็นโทษจนถึงนรกนะฮะโทษในอบายให้เราสังเกตว่าเป็นแนวของอัตตา ในกอัตปาในพีริกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือพยายามมองให้เห็นโทษแหนบายว่าเป็นเรือนนอนของคนที่ทําชั่วผู้ชั่วคิดชั่วเนี่ยอบายทั้งสี่เนี่ยจะเป็นเรือนนอนของบุคคลเหล่านั้นเพราะในตอนท้ายของพระสูตรที่เกี่ยวกับโทษบาป ท, ทั้งหลายเนี่ยจะเหมือนกันทุกแห่ง่ะ จะบอกว่าตายยัตสสะเพดานปนาม น, นาทุกติณิิปาตังนิทะยังอุปปัชชะติโดยหน้าแต่ตายพระกายแตกจะเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายแต่พูดอย่างนี้ทุกเทีมันเป็นสุดตายตัวมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างนรกพระเจ้าไม่ได้สร้างอบายแต่พระเจ้าบอกเหตุให้เกิดแหนบายอบายนัย่นมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิด มันก็คงเกิดพร้อมๆกับระบบสุริยะจั ก, กรวาล น, นั่นแหละแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ไปเกิดได้มันก็เหมือนกับหลุมบอ่อขวากหนามต่างๆในบ้านในเมืองเราเนะี่ยมันก็มีเรารู้มันเป็นภยัยเป็นอันตรายเราไม่ไปมันก็จบแล้วเพือนาบ้ายทั้งสี่มันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นเรือนนอนสําหรับคนทําชั่วแต่นั้นเอง แต่ทำชั่วทําดีเนี่ยมันอยู่ที่เราตัดสินใจของเร า, าเราคิดได้ดีเราพูดได้ดีเราทําให้ดีเราก็เป็นคนดีเราก็ปิดประตูอบายได้แต่ถ้าเราคิดชั่วเราทําชั่วพูดชั่วแล้วมันก็ปิดก็ไม่ได้นะแล้วกับประตูอบายมันก็เปิดรอรับเราอยู่มันก็ทํานองคล้ายๆกับไปคุกตารางที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีก่อนเราเกิด สมัยเมื่พะสะสอพศ 2,504 น, น, นะฮะถึง520ก็อบรมนักโทษอยู่ตำเรือนจำแล้วแถมลาดยาวแถวบางขวางแถวเรือจเรือนจำนนแถวอะไรเนี่ยก็คุยกันนักโทษคือต้องการให้เธอคิดเนี่ยว่าใครเป็นคนสร้างลาดยาว ใครเป็นคนสร้างบางขวางใครเป็นคนสร้างเรืองจำนนขึ้นมาส่วนมากแล้วก็จะพูดเป็นราชการสร้างขึ้นบอกไม่ใช่หรอกคนชั่วเนี่ยมันมีคนทําชั่วอยู่กลุ่มหนึ่งเราไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับสังคมทั่วไปได้แล้วก็ทําให้เขาสร้างเรือนจําขึ้นมากระหม่กักขังคนพวกนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้ออกไป เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมแต่เน่คนชั่วเนี่ยมันไม่ได้ชั่วเลยมึงเ็มัเกิดมาชั่วเลยมันเกิดเพราะการคิดชั่วทําชั่วแล้วก็พูดชั่วทีนี้ถ้าเขาคิดเฉยๆเนี่ยเขาไม่ทำเขาไม่พูดออกไปเนี่ยยังไม่กระทบอะไรใครก็ไม่ถึงก็ติดคุกเพราะทั้งหมดเนี่ยเขาทำเองทั้งหมดแล้วก็ แต่ถ้าเรามองให้ลึกกว่านั้นก็คือใจเขานี่ถูกผีกิเลสมันสิงเป็นเหตุได้รักขโมยบ้างเป็นเหตุด้ล่วงละเมิดในทางเพศบ้างเป็นเหตุได้ข่าคนบ้างเป็นเหตุได้หลอกลวงตุ่มตุนคนทั้งหลายบ้างทั้งจริงเขาก็เป็นคนที่น่าสงสารแต่เราก็ไม่ได้มองไปลึกขนาดนั้นน่ะ ส่วนมากคนที่ตไปก็จะตัดสินนที่คนก็รชีพิจิตุกันที่คนเดี๋ยนี้ลองติดตามรายการที่เขาส่วนมากก็าสัมมานาฮนะสัมมานาอภิปรายปาฐกถาอะไรที่เขาเอามาถ่ายทอดถ่ายทอดสดบ้างเอามาถ่ายทอดออกโทรทัศน์บ้างถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะพยายามฟัง แต่กระสุดมากก็ฟังไม่ค่อยได้ตลอดอหะเพราะว่าก็พูดกันนานๆเราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่ที่น่าดีใจก็คือว่ามันมีการประรบถึงศีลธรรมจริยธรรมนี่เพิ่มขึ้นแต่เราดูแล้วเนี่ท่านเหล่านั้นเองท่านก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าศีลธรรมจริยธรรมมันคืออะไรแล้วใครควรจะมีเป็นเบื้องต้น และมีแล้วนมันผลดีต่อไปเป็นยังไ ง, ต, ไปปงต่อไปเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไงไอ้ความฉันเท่าสาหะที่จะน้อมนำเอาจริยธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตก็จะเกิดขึ้นมายความเห็นคุณชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันต้องเห็นโทษชัดเจนแล้วก็มันมันเหมือนกับหนทาง ที่มีภัยมีอันต ร, รายมีเสือร้ายมีสัตว์ร้ายมีโจรปล้นอยู่เนี่ยไปไม่ได้ไปก็จะเป็นอันตรายค น, คนที่ต้องการความสวัสดีแก่ต น, นก็จะไม่ไปเพราะเราสังเกตนรกสวรรค์นเนี่ยมนุษย์คิดขึ้นมาเองทำเองพูดเองแล้วก็สร้างให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นสัตว์นรกด้วยตัวของเขาเอง ือนการมองอย่างนี้ถ้ามองได้นะฮะแล้วในสุดมันก็จะสงบสงบแล้วก็จะเข้าไปสู่สมาธิส่งแสดงไปที่ฌานเหมือนเดิมนะฮะแสดงไปที่รูปรูปฌปานที่สองเรียกว่ามีจิตใจนี้จะตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกพุทธขึ้นตั้งมัน่น ในภายในนั่นแหละจะเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่แต่งตัวที่ชอบแต่งตัวจะรู้สึกอึดอัดรังเกียจ ต, ต่อซากงูซากสุนัขซากมนุษย์ที่ผูกติดอยู่ที่คอของตนพิสุก็เหมือนกันนะฮะเมื่อมนุษสิการถึงอารมณ์ของอกุศลทั้งหลายเนี่ย และจะรู้สึกรังเกียจขยะแขยงที่จิตมันถูกก ร, รมกับควบคุมด้วยราคะด้วยสันทะด้วยโทษสะด้วยโมหะตรงนี้ใช้คำถามคำนะสันพระโทษสะโมหะก็หมายความว่าถูกครอบงำด้วยกิเลสกัน แ, แล้วชื่ อ, อยังไงก็ช่า ง, งที่ยังเกิดอยู่เรื่อยๆพิจสตนั้นก็ต้องพยายามพิจารณาโทษของวิตโต ท, ที่เป็นอกุศลเ่าดัน ในอย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษในอย่างนี้วิตกที่ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากอย่างนี้เมื่อพิจารณาโดยโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่พอเราชัดเจนเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกษัตริที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในรูปแบบต่างๆเราจะรู้จักทันทีเราสั่งทักปาปีมะ มารผู้มีบาปไม่ต้องปลอมตัวหน้าเรารู้จักเลอมานก็เขิอน่ะอันตรธามไปเลยตอนกิเลส ถ, ถ้าเรารู้จักมันเนี่ยเราก็ไม่ปรุงต่อเราก็ไม่คิดต่อก็ไม่เนียนนึกตึกนึกต่อมันก็ต้องสงบออไปบ้านเมื่อเราพยายามมองจุดนึกในด้านดีเนี่ยไอ้ตัวดีเนี่ย มันแค่แค่กระตุวความเย็นเนี่ยมันจะสลายตัวความร้อนเองหรืออาหารนี่จะสลายตัวเหตุได้หิวจะสลายตัวความหิวเองจิตใจของบุคคลเช่นนั้นจะเป็นพระหรือคาบาะก็าตามนะฮะ้องก็จะมีความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิได้ต่การสอนในจิตมันนิ่งอยู่กับกุศลซึ่งก็ เราจะอยู่ใน idia บทนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้แต่ปกติแล้วก็นั่งก็ยืนแท่นะฮะนั่งก็ยืนเดินมาก็ตั้งไม่ค่ได้นอกจากก็เราเดินจุกลมที่จริงนอนก็พอทาได้เนะี่ยมันเสียดายนกะ็หลับหลับไปซะก่อนวัน idia บทที่เหมาะสมสาหรับเรื่องนี้ก็คือนั่งก็ยืนยืนเราก็จะยืนอยู่ไม่ได้นานแต่ว่า มันก็ต้องหีเร่นนะคือถ้าเป็นคนรบกวนอยู่เราก็ทำไม่ได้แต่ข้อต่อไปก็สรงแสดงว่าเหมือนโทษขององกุศลต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ใส่ใจถึงองกุศล น, นิตกเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆเมื่อเธอถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจถึงวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกที่เป็นบาปอกุศลที่มีชื่อต่างๆนจะค่อยสงบลงไปจิตใจก็อย่าตั้งมั่นเพราะว่าตัววิตกที่เป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านั้นไม่เข้ามาครอบงําจิตมากเกินไปจิตใจกส็สงบแล้วก็เกิดขึ้นในภายในเหมือนบุรุษผู้มีตาที่ต้องการจะเห็นรูป ที่ผ่านผ่านไปแต่เขาก็พึงหลับตาเสียเหลือไปทางอื่นเสียแม่ฉันใดพี่สุก็ฉันนั้นหากเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกที่เป็นบาปเป็นนักุศลประกอบด้วยชันท้าเป็นต้นเนี่ยก็จะสงบไปคือเราไม่ใส่ใจมนันนะถูก่ายว่าไม่ใส่ใจ คืออย่างที่บอกว่าตัวการเนี่ยมันอยู่ที่เรามานันสธิการหรือไม่มนันสธิการถ้เราใส่ใจมันก็มีปัญหาแต่เราไม่ใส่ใจเนี่ยก็ก็จะไม่ไม่มีปัญหาเลยก็อามามาอยู่วัดวรเนี่ยก็เกือบก็สี่สิบกว่าปีนะฮะเราก็ไม่เคยมีนิพพัทธการที่ยาวนานตามปกติเราก็จะใช้เจ็ดวันอะไรเย้ย นิทรศการตอนนี้ก็เห็นว่าญาติโยมก็มาแน่นแล้วก็มีโรงเรียนบางโรงเรียนติดต่อมาเป็นชุดเป็นชุดเพราะว่าอาคารติกมนุษยนาคเนี่ยพอไป น, นิทศการจริงมันเล็กเพราะว่าประหาชภาระญเขาในหลวงนี่ตั้งหกสิบปีนะฮะเบื่อมันเยอะเลยกัน มันก็คิดว่าจะขยายก็กำลังปรึกษากันอยู่แต่อย่างก็ไม่แน่ใจนะยังยังยงนึกว่ามันน่าจะไปเลยข้าพันษาไปแล้วก็จากนั้นก็จะเปิดโอกาสไว้ว่าถ้าใครนัดมาเป็นมื่หมูเราก็อำนวยความสะดวกให้หรือปัญหาเจ้าหน้าที่บริการนะเราก็ต้องจ้างเขาอะ แ ล, ล้วพระเนรตอนใกล้ภาษานี้ไม่ไหวยุ่งไปนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ได้เลยเราก็ต้องจ้างแล้วก็ต้องจ้างคนที่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นพวกนักศึกษาที่เกี่ยวกับศิลปะต่งตางๆพวกเกี่ยวกับเครือช่างทั้งหลายเนี่ยโวกจิตต ก, กรรมพวกประติมากรรมพวกวิจิตศิลป์พวกประนีศิลป์ทั้งหลายเนี่ยหรือคนที่สนใจ ก็ยังยังยังนึกว่าภาพมันเปลี่ยนภาพมันเปลี่ยนไปคือพระเองก็ไม่ค่อยร้ารเดินคนเต็มไปหมดเลยแล้วหน้าวัดนยาวพืดมาถนนมัสุมเมนแล้๋ยวก็เลี้ยวมารอยประวันังสีแล้วก็แถวถนนลินสอนี่จะมีหรือไม่มีก็แทนมันก็มีร้านอะไรยอยู่แต่จะดูว่า เราก็ช่วยคนมีงานมีการทํานะฮะมีความรู้มีอะไรเย อ, อะเลยเพทางวัดก็ไม่ได้เก็บอะไรก็ปล่ อ, อยญาติโยมไปที่แต่ก็สิ่งที่ให้มองมองก็คือกลัวเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนีย่ยเอาสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาขายในในวัดเนี่ยมันก็น่าเกลียดเนาะแต่พระคงไม่ลงไปสรวจอะไรเราตอนนั้นที่ตำหมดดูก็แล้วกัน นี่ก็หมายความว่าคือถ้าเราไปคิดอะไรมากมันก็มันก็ราคาญนะแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันก็ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ทังญาติโยมเองอย่างน้อยก็เข้าวัดได้ว่ายพระได้ได้ยินเสียงพระเทศบ้างพระสอนบ้างพระสวดบ้างแต่ก็บางช่วงเนี่ยเราจะเปิดเทพสมเด็จทั้งวันเปิดเบาๆนะคนเข้ามาบริเวณพุทธาบานก็จะได้ยิน แต่เสียงการอบรมกรรมฐ า, านก็สนเด็จได้ไปสั้าประโยคสองประโยคก็บุญแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดให้มันเนียวนึกจุดนึกในเรื่องดีๆจะทำยังไงว่าให้คนคิดดีนะฮะทำดีพูดดีเอาไว้ก็ต่อไปก็ถามรับรับสั่งว่าเมื่อพิกูุน์นั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจในวิตกที่เป็นอกุศลเนี่ย แล้วก็ผู้นี้ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ควรมานสิการสันฐานแห่งวิจตกสังขานของวิจตุเหล่านั้นนะสันฐานก็คือรูปลักษณะของความคิดนะครับแล้วก็สันขานกระ ต, ตุ้นนั้นมันเกิดอ่ะกระตุ้นเนี่ยมันเกิดเพราะตัววิจตุคนเป็นสังขานอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีตัวตุ้นอะไรเข้ามา ให้เหนียวนึกตึกนึกเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการไปกำหนดค่าอารมณ์เหล่านั้นด้วยความรักบ้างหรือความชังบ้างหรือความหลงบ้างหรือความประมาทบ้างอะไรตวนี้มีตกวที่เป็นอคุศสก็เกิดขึ้นเพราะงั้นถ้ามา น, นสิการถึงสังฐานแล้วก็สังขารของวิตกเุลนั้นอยู่เนี่ย วิตกเป็นบาปอกุศลซึ่งมีลักษณะดังกล่าวก็จะค่อยๆสงบลงไปก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อวิตกที่เป็นอกุศลตั้งอยู่มนจิตก็มาอยู่ที่กุศลจิตก็จะตั้งมั่นดีดสงบเป็นทำเอกุดขึ้นตั้งมันอยู่ในภายในมันก็เหมือนกันเลยว่าเหมือนกับคนที่เดินเร็วเนี่ย เพิมีความคิดอย่างนี if hey. if right, ้ว่าเราจะเดินเร็ว <unforgettable> ทําไมเนาะถ้ากระไรก็เราค่อยๆเดินแล้วก็พึงค่อยๆเดินไปก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราค่อยๆเดินไปทําไมเนอถ้ากระไรเราคนยืนเราก็ยืนแล้วก็เตือนตัวเองคือกํากับนะไม่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องทํางานแต่ว่ายกอุปมาให้ฟังว่าเราอยู่ในระยิตบทไหนล่ะ สามารถกำกับพวกภูมิจิตให้อยู่ด้วยกุศลวิตกได้มากๆแล้วก็อยู่ในอิเียบทรงนั้นเพราะงั้นก็อาจจะทำได้ทั้งทุกๆอิเียบท์จนถหนึ่งก็นอนก็เหมือนกับว่าคนที่มาพอรอนทิ้งอิเียบทหยาบหยาบเสียก็สม็จอย่างบ ท, ทีละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ ทีนี้เมื่อเธ อ, เอศึกษาถึงรูปแบบของวิตกหรือตัวเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดวิตกเหล่านั้นวิตกแบบเป็นบาปเป็นกุศลก็สงบนนก็คือวิธีหนึ่งนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็ น, ปนวิธี่ซึ่งเราจะใช้วิธีไหนก็ได้ก็เสนอหลห ล, หลายวิธีไนใค้าอารมณ์กรรมฐานสี่สิบเนี่ยที่จริงแต่ละอย่างเนี่ยมันก็อำนวยประโยชน์ไปตามขั้นตอนได้เท่านั้นแหละ จะนําไปสู่มรรคผลสูงสุดได้ทั้งนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนกะระโดดที่ต้องเปลี่ยนนะถึงช่วงหนึ่งก็เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งช่วงหนึ่งก็เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งแล้วก า, ารเสนอให้เลือกทพรคนเราจะรู้สึกสับบายะคือสะดวกสบายสําหรับอารมณ์บางอารมณ์แต่บางอารมณ์เขาก็อาจจะไม่สบายก็เลือกเอาตามชอบใจ ทีนี้ก็รับสั่งในตอนต่อไปเป็นข้อต่อไปนยะว่าเมื่อมนติการถึงสันฐานแล้วก็สังขารของวิโตกที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็น ก, ก า, กาแล้วเนี่ยแต่ปรกากฏว่ามันยังเกิดอ่ะยังเกิดเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าในนำเอาวิธีที่ทรงทรมานร่างกายคราวบำเพ็ญถุกรักริยาช่วงแรกนะฮะ คือคือตอนปลายเนี่ยผู้เจ้าตอนนั้นยังเป็นพุทธเจ้าก็เป็นพระมหาบุรุษทรงสรุปสรุปพิธีมันเป็นทุกขกิริยามาไว้ตอนปลายในสามข้อคือพูดง่ายเอาฝันกับฝันมากดกันแล้วก็ลิ้นไปดนันเพดานไปแล้วก็ข่มบีบขั้นบังคับจิตด้วยจิต นะเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันลุนเพดานด้วยลิ้นคมบีบขั้นบังคับจิตด้วยจิตสวิตกที่เป็นบาปเป็นบาปอกุศลก็จะบรรทาลงไปเพราะอะไรเพราะไปอยู่ที่ตัวเวทนาคือดึงจิตออกจากตัวเนี้ยออกจากกิเลสไปอยู่ที่ทุกข์นะฮะที่จริงก็เวทนาก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งแล้วไปทําอย่างนั้นมาการเป็นทุกขกับเวทนาก็เอาไปอยู่ที่ทุกข์ซะก่นอนพรทุกข์เนี้ย มันมันความคิดจะหนีนี่มันมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าจะหนีกิเลสเพราะกิเลสส่วนมากแล้วคนจะจำ น, น้นกิเลสคือจะยอมสยกกับกิเลสก็ลอยให้เจ้านายก็เป็นใหญ่ไปเรื่อยๆบงการสั่งการไปเรื่อยแต่พอทุกมีคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านผู้ฟังสังเกตนะว่าเราแปลว่านิพพานแปลว่าดับทุกข์เนี่ย จริงดับกิเลสนะคือถ้าเราพูดดับกิเลสแต่บางคนมันไม่ชัดนะดับทุกข์มันชัดเลยนี่โรดเปลียบความดับทุกข์สถามนะจริงๆเนี่ยเขาดับทุกข์รืเปล่าเขาไม่ได้ดับที่ทุกข์นะฮะเขาดับที่ตัวกิเลสเขาไม่มีหน้าที่อะไปดับทุกข์หรอกทุกข์มันเป็นผลของกิเลสมืันก็ดับกิเลสทุกข์มันก็ดับแต่พูดว่าดับทุกข์นี่จะสื่อสารได้ง่ายกว่า เงนตรงนี้ก็เอาทุกมา ส, สลับกับกิเลสแต่วิธีการเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็จะคลี่คลายตัวไปอีกจังหวะจังหวะจังหวะจังหวะจังหวะไปนะยางยตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างตอนที่พระเวสสันดรกระทำกับขนางมัตสีตอนที่พระราชทานชาลีกันหาไปกับให้กับสุชกเนี่ย มันเริ่มถึงนางมัธรีก็สาวถามหาลูกร้องหม่มร้องให้ปริเวธนาการคำควรมันเป็นโศกศันะฮะเป็นทุกข์ให้เราต้งเจเป็นทุกข์สิ่งโศกศันี่มันยืดเยื้อนะ่ะยึดเยื้อมาละทอนเลยคนโศกศัยูจะได้เป็นวันเป็นเดือนเลยนะฮะแล้วบางทีเป็นปีๆนึกถึงสามีตายทียร้องให้ทีเนี่ยนึกถึงลูกตายสีร้องแม่ทีเดงวอรมันยืดเยื้อ วิธีขอท่านก็คือว่าทำให้โกรธซะก่อนทำให้โกรธ ก, ท ก, รธก็ทำทีเป็นบ้าไปคบทูสู่ชายกับนักสืบวิทยาทรนคนทันมาถึงแมมกระดัดจะดิตมาบีดน้ำตาร้องห่มร้องไห้คิดถึงลูกคิดถึงลูกล้วทำไมไปมากลับมาดึกดื่นเชื่องเืนโอทีนี้ไปใหญ่เลยทอนโทรมานัดสุดๆแล้วก็เกิดโกรธสุดๆพโกรดิมันหาย เพราะว่าลักษณะโทสะนี่เขาใกล้กับปัญญาพอใกล้กับปัญญาพอถึงจุดหนึ่งมันลดแหละมันมันจะมีเหตุผลขึ้นมาเพราะนั่นทั้งฝั่งลองสังเกตนะว่าโทสะจริตกับพุธทธจริตเนี่ยกรรมาฐานจะคล้ายกันแล้วก็สลับกันได้ด้วยแล้วคนที่มีมีโทสะมากๆเนี่ยส่วนมากจะฉลาดจะมีปัญญามากๆ และวิธีปรับเปลี่ยนเหล่านี้คือบางทีถ้าคนทำไม่ทันแล้วเนี่ยคนามไม่ทันก็อาจจะไม่เข้าใจท่านเล่าถึงผู้ใหญ่สองท่านท่านมโนภาพไปแล้วท่านนั้นเป็นรุ่นครูบาอาจารย์แต่มาไม่รู้จักท่านเราก็มากรุงเทพไม่ทันท่านมนภาพไปก่อนเขาบอกเจ้าคุณอุบลีคุณอุปมาอาจารย์จันสิริจันโทเนี่ย มันมีนอมเจ้าท่านหนึ่งก็โกรธสินชีวิตตั้งแต่อย่างเดียโอ้มาร้องห่มร้องไห้มาหลายวันแล้วแก้ไม่ได้มาบนพิรีพิไรลำพันธ์กับเจ้าคุณเจ้าคุณท่าก็หาวิธีหลายวันกันนะ น, นี่จะแก้ยังไงวันเดินท่านเปลี่ยนเสียงเปรี้ยวกราดมากเออ คนเนี่มันดัดจริตที่ตอนลูกมันอยู่ไม่เห็นมันแสดงความอเอาใจใส่ดูแลอะไรเท่าไหร่แต่พอลูกตายมาเรียกน้ำตาสงสารจากชาวบ้านร้องโหงร้องไห้มันเสแส่งไม่ได้จินใจอะไรหรอกก็เตรียมของมาถวายเยอะเลยนะส่านคนช้ายกของกลับบ้านแล้วก่อนจะไปถึงบ้านเนี่ยไอ้โศกมันหายอ่ะมันโกรธเจ้าคุณ โรเจ้าคุณมาพระอะไรพเดอย่นี้นแล้วกลับไปถึงก็นอนคิดน่สติปัญญามันเรื่องคิดขึ้นมารุ่งมีเช้าก็มาขอดอกไม้ถูกเขียนม า, อาของเมื่อวานเนี่ยก็เอามาด้วยแมากราบขอกมาโทษเจ้าคุณบอกว่าไม่เข้าใจเจตนาของเจ้าคุคณตอนนี้เข้าใจแล้ว ข อ, ขอกราบขอไปโทษท่านที่คุณดังก็บอกว่าอาตมาก็ขอโทษท่านหญิงด้วยเพราะว่าไม่รู้จะหาวิธียังไงทําไม่ใช้อย่างเนี้อันนั้นก็คือก็คือวิธีวิธีตรงนี้มั น, มนก็อยู่กับกับว่าเราจะใช้ในกรณีอะไรมันไม่ใช่ว่าเออต้องอย่างนี้ทุกทีมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่าา ท, ปปท่านสาธาณะสุปนจําเนี่ยท่านใช้มันเป็นลักษณะแนวที่ราน้ําเข้าหู่น้ำหยอดหู เ อ, อผลไม้ปลาผลไม้อันนี้ก็เหมือนการโศกเพราะสามีตายเป็นคุณหญิงสามีเป็นพญาตายร้องโหมร้องไห้ทุกคืนมาสวดศพเนี่ยร้องทุกคืนพระสวดก็สวดไปก็มีญาติพี่น้องมาลอ้อมคุณหญิงมานั่งปลอบกันยิ่งบอบยิ่งร้องอ่ะยิ่งปลอบยิ่งร้องธรรมดาพวกเนี้ยเ่ราจะเอียดว่า ลักษณะโทสะก็ดีในลักษณะโศกะก็ดีเนี่ยตลอดถึงลักษณะราคาเนี่ยยิ่งพูดยิ่งเพิ่มนะโศกะยิ่งพูดยิ่งเพิ่มโทสะยิ่งพูดยิ่งเพิ่มราคะยิ่งพูดยิ่งเพิ่มดังวิธีการแก้ไขเนี่ยเขาเขาไม่ได้แก้วิธีนั้นเราจะอาจจะสํารอกวิธีการตรงนี้เราเห็นว่าก็วิธีการเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงใช้กับพระนันทะ คือเอาผู้หญิงสำรอกผู้หญิงความรักผู้หญิงมาสำรอกผู้หญิงแล้วก็เอาความรักผู้หญิงที่สวยกว่าน่ยมาสำรอกไปเรื่อยๆเลยเอาน้ำหยดหูไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันท่านจะคุณท่านไปท่านบอกว่าร้องเลยคุณหญิงสามีของเราคนอื่นไม่เกี่ยวท่านก็ตายครั้งเดียวร้องเสีเต็มที่วันหลังไม่ได้ร้องแล้วนึกจะร้องอยังไง ร, ร้องไปเลยว่าไปเต็มที่เลย ตอนเขาห้ามมันอยากร้องให้ตอนเขาเขายุ้มเลยไม่ร้องเลยรักไม่พอใจเจ้าคุณหายโกรธหายโศกเสร็จเสร็จแล้วก็มาขอโทษเจ้าคุณจกคุณก็อธิบายชี้แจงให้ฟังเพราะวิธีการเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันมันมันเหมือนกับการดึงเอาเอาความชิด จากกิเลสเนี่ยไปอยู่ที่ตัวทุกขเวทนาเดี๋ยวลืมมาทางนี้ไมจะทางบรรลุนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นวิธีวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีคือดึงจิตออกมาจากกิเลสให้มาอยู่ที่ทุกขแล้วพอทุกเนี่ยเราต้องการจะเห็นชัดกว่ากิเลสหรือเราต้องการจะหนีเนี่ยชัดง่า ย, ง, ายง่ายกว่ากิเลสเลยก็ส่งเอาทุกขระคิยาที่ทรงใช้แล้วก็ไม่ประสบความสเมเร็จนะก็มาเป็นหลัก ฝึกตัวเองอีกวิธีนี้ทีนี้ก็รับสั่งว่าเมือม่อเมือ่อเมื่อทำอย่างเนี้ยบังคับจิตอยู่ด้วยวิธีอย่างนี้พวกวิตกันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยฉันทาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างทีอละไม่ได้ก็จะถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พอละวิตกันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจิตก็จะ ตั้งอยู่ได้ดีสงบเป็นธรรมเอกพุทขึ้นก็ตั้งมั่นอยู่ในภายในก็เหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผูมีกำลังน้อยกว่าไว้ให้ได้นะแล้วก็บีบกดเทนที่ศีรษะหรือว่าที่คอหรือที่ก้านคอไว้ให้แน่นจิต ก, ก็เหมือนกันนะฮะบางทีมันมีประสาทมันไม่ได้ มันมีปัสจัยแล้วมันมันจะเกิดภาวะอ่อนแอมันวิธีการเรานี้มติมติีเยอะเลยอย่างสมัยโบราณเนี่ยครูบาอาจารย์เนท่านจะใช้เยอะทุกวันไม่เคยได้ใช้ทุกวันไม่เคยได้ใช้ใชแต่มาเคยใช้หลายคนนะฮะประสบความสําเร็จแต่มาระยะหลังเราก็ไม่ใช่เหมือนกันเราใช้วิธีศพประมาทก็ก็ก็แล้วแต่วิธีไหน อย่างว่าพระบางองค์อายุบรรษามากกว่าเราอะ น, นะีจริงเขาก็เราก็อยากให้เขาเรียนอะแต่เขาไม่เรียนทีนี้ให้ผู้ใหญ่พูดเขาก็ไม่เชื่อแต่เราพูดนี่ให้เขากโกรธกันเราก็คนจะรู้พี่จะมีทางชาตินี้มีทางเลยสอบไปเรียนได้หรอกดูหน้ามก็รู้แล้วเด็คนไม่รจริง ว่าเกี่ยวคืดสู้เอาตั้งสองปีมั่งสู้เนี่ยแต่ผน ท, าทา้ายเกาะก็เหลอวอะก็ไม่ประสบความสําเร็จนะเดี๋าบางคนเป็นคนทํางานจับจุดไม่ต่อนเนื่องเราก็สวประมาทแกต้องการเอาชนะในสุดแกประสบความสําเร็จแต่แกก็มาบอกว่าเนี่ยเพราะท่านจะคุนว่าว่าผมไม่มีทางประสบความสําเร็จเนี่ย แล้วผมก็ประสบความสำเร็จให้ดูเราก็เกิดว่าก็ดีแล้วคือต้องการให้เธประสบความสำเร็จแต่แหละแต่ว่ามันไม่มีวิธีอื่นที่จะกระตุ้นให้เกิดทึกเขอไม่เกิดลักษณะท้าทายขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนกันคือใช้วิธีแรงก็ทั้งหมดไม่ใช่เจตนาแล้วคล้าๆกับเพื้อนฝูงเห็นไหมเปื้อนฝูงเมาเหล้าอารวาสเอะโวยวายูุจจาไม่รู้เรื่อง เนะพื่อนที่รักมากเนี่ยอาจจะต่อยกระโดงคางให้สลบเมือดแล้วก็เอาขึ้นรถกลับบ้านให้นอนก็ตื่นก็มาคุยกันวหลังไม่ได้โกรธอะไรเลยนะอาจารย์น้อยไม่ได้โกรธอะไรเลยเนี่ยคือแนวก็เรียกว่านิคขะหรือว่าแนวนิเคราะห์เป็นแนวกาําราบป ร, บป ร, บปรับรามกดบังคับบีบเค้นอะไรก็แล้วแต่เแรงขนาดไหนก็แล้วแต่ ทำกับตัวเรานี่แหละทีนี้เราทาดูอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยยังก็ได้ะนะฮะเพราะว่าจิตมันจะวิ่งหนีจะพยายามวิ่งหนีทุกทีนี้ในประเด็นต่อไปเนี่ยก็รับสั่งถึงการฝึกปรือฝึกปรือว่าเมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใ ด, ดแล้วมานสิกานิมิตใ ด, ดอยู่นิมิตอันเป็นบาปกุศลประกอบด้วยกิเลสประเภท ต, ต่างเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อเธอมาณมาณสิการคือใส่ใจในมิตรอื่นที่ประกอบด้วยกุศลวิตกที่เป็นบาปเปกุศลก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าลาวิตกที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั้นได้ในจิตก็จะสงบได้ดีนะเป็นทับเอกพูดขึ้นซึ่งรูปแบบตอนนี้พูดสรุปไม่ง่ายนะฮะเพื่อกํากับจิตอย่าให้แกว่งเข้าไปหา พวกบาปพวกขุศอะไรแล้วจะอยู่ในยาบทไหนก็ได้ก็ไม่รด้ว่ากันยินเดินนั่งนอนอะไรก็ได้แล้วก็จะใช้วิธีการฝึกปือย่างไรก็ตามคือเป้าหมายเนี่ยป้าหมายอยู่ที่กิเลสมีชื่ออะไรก็ไม่รู้รถลงโดยเราก็พยายามเหนียวนึกตรึกนึกถึงธรรมะถ้าเอาไม่อยู่จิตมันยังวิ่งไป แล้วก็เพิ่มทุกข์ให้แก่ร่างกายจชะ mm. เช่นบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าค น, ม, นมันอะไรล่ะลงไปเผาฟืนลงไปตัดต้นไม้ลงไปวิ่งลงไปออกกำลังกายอะไรแต่นเนี่ยลงไปแบกของหนักจิตมันคุมไม่อยู่มันไปอยู่กับทุกข์ใชพอโดนทุกข์เข้าในสุดแก้กะจ ค่อยๆ ค, คิดจะ น, นี้ถุกนี่ก็เป็นเป็นเป็นวิธีการนะฮะเป็นวิธีการคือแต่ทั้งหมดเป็นวิธีการจําเป็นจะต้องใช้ก็ใช้นะมันก็แนวนี้ที่จริงมันแนวคล้ายทุ ด, ดงนะฮะแนวทุดมเราเห็นว่าทุ ด, ดงนี่มันเป็นวิธีการาหนึ่งเช่นสมมติว่าเราบิดตะบัด ท, ทางเดียวเชนว่าเราไปทางขวามือทางเดียวทางซ้ายมือคนตักบาตรเยอะเลย เราค้ามถนนไม่ได้พอเราตั้งใจอธิษฐานแล้วเราจะเดินทางซ้ายมือถ้าคนเขามาอยู่ทางซ้ายมือเราก็รับได้แต่ถ้าเขายังอยู่ที่ขวามือเนี่ยเราค้าไม่รับไน่ๆต้องต่อสู้กับความอยากอาหารนะที่อาหารไปเห็นอาหารดีๆอ่ะแต่ไปไม่ได้เลก็เสียสัตยาธิษฐานคือที่ตั้งใจเอาไว้ นี่ก็เป็นแนวฝึกตนทรามานตนบังคับตนบีบขั้นตนแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อจิตเขาเริ่มตั้งหลักมัน่นเราก็หันเข้าหาความสงบความตั้งมั่นก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจิตมองจะเดินไปหาหาความสงบเพิ่มขึ้นโดยลำดับ การสำคัญเราจะเห็นว่าอยู่ยายากกยทีทพยยโโ่พยายามกํากับจิตที่อยู่ที่กุศลกําบุโดยเฉพาะยิ่งคือตัวมโนสุจริตพยายามกํากับอย่าให้โลภอยากได้ของคนอื่นอย่าให้อาคตาพยาบาติบุคคลอื่นให้เห็นชอบทำตนนองของมธรรมไว้ก็ได้เล่าสู่กันฟังเรื่องส่นส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่กําลังประรบจะสร้าง โดยติดต่อเจ้าสถานที่ของทรัพย์สินสวนประมากษาศาิย์ไว้ที่ใกล้วัดลานน บ, บุญที่มั่นนนนะครับจะเดินไปได้ทึงไหนก็ยังไม่ประกันอะไรเพียงแต่บอกกล่าวเป็นการบอกเล่าให้ท่านสาธุชนได้ทราบเอาไว้ถ้าใครเห็นดีเห็นงามในเรื่องเหล่านี้ก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ให้การสนับสนุนมั่นใจว่า เดินได้ก็จะเดินแต่เดินไม่ได้มันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่อะคือคณะกรรมการศูนย์เองทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครมีศักยภาพในด้านนี้แล้วก็ไม่มีใครมีความกระตือรือร้นพอแล้วก็มีเงินนะฮะมีกำลังศรัทธาแล้วก็มีกำลังทรัพย์เนี่ยเว้นี้ก็คาดหวังที่ คุณเอกเสรีพุกมานท่นานอธิการบดีดรรัชนีพรพุกยาพรภุกมานแล้วก็คณาจารย์ที่สีปทุมตลอดถึงคุณยุวดีบุญครองฮะแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนะักโดยเฉพาะกับคุณยุวดีแะศูนย์ส่งเสริมมันอย่างที่บอกนะว่า เจตนาจริงๆต้องการจะสืบสารรระพุทธปฏิฐานของพระพุทธเจ้าในสี่เรื่องคือหนึ่งก็คือให้การศึกษาอบรมโดยวิธีการต่างในรูปเผยแพร่บ้างในรูปอบรมบ้างในรูปสั่งสอนบ้างในรูปบรรยายออกวิทยุโทรทัศน์หนังสืออะไรแต่ละแต่แแตนั่นคือแนวหนึ่งหลากหลายไปตามยุคตามสมัยและการที่สองก็คือมาปฏิบัต รณรงค์มีการประพฤติปฏิบัติเราขาดอาคารสถานที่แต่ก่อนนี้เราก็ไปยืมสถานที่ต่างจังหวัดเบี๋รวมวิทยากรค่าใช้จ่ายแต่ละคราวนี่มันเยอะมากแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเงินก็ชอ็อตอะทำไม่ได้งานนั้นนี่ก็หยุดไปหลายปีแล้วแล้วก็ปรวมโยชนก็เงินก็ชอ็อตอีกไปไม่ได้อีกเรื่องนี้ก็มาอยู่วิทยุนะฮะมาอยู่โทรทัศน์มาอยู่เอกสารสิ่งพิมพ์ อยู่ไปบรรยายอบรม ต, ตามที่เราจะสามารถจะทำได้แล้วก็ต้องการจะช่วยกันเผยแผนะ่ปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่เผยแผ่ก็หมายความว่าเผยแผ่ในนามองค์กรศูนย์บ้างขยายแนวไปด้านต่างๆหังก็นนศึกษานะ่แหละแนวเผยแผ่ก็ให้การศาึกษาแก่คนอื่น เด่การปฏิบัติอาจจะมุ่งไปที่ศีลสมาธิปัญญานะฮะแนวอาจจะเข้าไขา่เดี๋ยวกับต่อไปแต่ทั้งหมดมันต้องมีอาคารสถานที่มีบริเวณมีอะไรมันมันเยอะเลยองค์ประกอบมันเยอะก็ฝันมายี่สิบกว่าปีแล้วนะยังไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอะไรแล้วชีวิตเราไปอยู่ถึงตรงไห น, นเราก็ไม่รู้อีกละแต่ก็ถือว่าถ้าเราสร้างไว้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ต่อได้ ถ้าไม่เริ่มต้นไว้มันก็เดินไปไม่ได้แล้วก็ชนหนึ่งก็คือพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาเราต้องยอมรับนะว่าเวลนียศาสนาทุกศาสนาในโลกนะไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรก็ไับมันกำลังต่อสู้กับกระแสะโลกาภิวัตในกระแสะของบริโภคนิยมเนี่ยนะแม้แตเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องการจะต่อสู้กับพวกเหล่านี้ เพราะว่าอันตรายมันรออยู่ข้างหน้านะฮะแนวบริโภคนิยมเนี่ยในขณะที่ปรัพยากรเพิ่มขึ้นแล้วคนโลภมากยิ่งขึ้นเนี่ยไม่มีทาง่ะไปไม่รอดไม่สามารถจะเอาทรัพยากรเหล่านั้นมาตอบส น, นองความต้องการของคนที่มีอยู่โดยไม่จากัดแต่ทรัพยากรมีจำกัดเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันก็มีปัญหา เี่กับสภาพแวดลอ้อมเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับโรคภัยเอกสารพิษเกี่ยวกับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไม่สามารถควบคุมควบคุมราคะควบคุมโรคควบคุมโทสะควบคุมโมหะนี่เราเอาขนาดควบคุมมันนะให้ได้แต่สังคมจะแก้ปัญหาระดับความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินไม่ได้แล้วก็แก้ปัญหาระดับ ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็ไม่ได้หมายความแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับสังคมไม่ได้เลยียวเรื่องอื่นเลิกพูดแล้วถ้ามีปัญหาเศรษฐกิจกับสังคมแล้วก็จบแล้วปัญหาต่างๆพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาอีกอนเอกนกนันเลยฮนะแม้ปัญหาเรื่องโรคเอดสนะ์ปัญหาเรื่องจาบ้าสองอย่างเนี่ยก็นําไปสู่ปัญหาอีกเยอะแยะไปหมดเลยวันจําเป็นจะต้องช่วยกันในการ ให้ความรู้ความกระใจการศึกษาประพปฏิบัติกำกับควบคุมตัวเองไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสมากเกินไปพ้องฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิจาัย์ศรีวัฒนในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไปบูรณนธรรมอยู่มีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี